ที่เดินมาก็คิดอยู่ในใจว่าคนล้านนี่เก่าเกี่ยวทเฉลยอะไรปัญหาองค์กรและความมีอที่อยู่ที่เฉลยอะไรต้องใส่นีม่มาไหอไมทํานี่ทําไ้องาฮ่าฮ่าฮมาฮ่ฮ่าฮ่า จะไปยึดตัวแล้อแล้วใหญ่ทำหมากรุนแล้วมันไม่เมันจะต้องไปทำอะไรมากไปนะทำดีพอเราก็มีมีงานมีการเรื่ามีอาชีพมีรายได้หรืมีประใจัยสื่อพร้อมอยู่แล้วมันก็น่าจะสบน่าจะสบายแต่ไม่สบายอยู่ก็ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ เราก็ไม่เคยคิดว่าทำไมอยู่ไม่ไม่อยู่เฉยกันเนี่ยปัญหาของโลกเราทุกวันนี้อยู่ตรงนี้อย่างที่ไม่รู้ว่าการอยู่เฉยเนี่ยดีที่สุดตางคนต่างอยู่กันไปคนจะหาปัจจสยดีของตนเองกันมีปัจจัี่แล้วก็ก็อยู่กันไปา่านเหลือคนเขาเดือดร้อนก็เอาไปแบ่งกันตัดช่วกัน แต่ก็เป็บส่วนที่เราต้องมีไว้สำหรัหบเวแล้วเราก็อยู่กับบ้านของเราไม่แฉลบไม่สุขแฉลบสบายทำงานนี่ก็อยู่มาที่นี่มีสุขสีก็ไม่ได้ก <c ười> ็มีปัจจัยสีพอเพียงแล้วก็ก็จบไม่ต้องมีอะไรมากเลยก็อยู่ได้มาอยู่มาได้โหกาเรามันมองไม่เห็นเหมือนเส้นผมบางทีเขา เราตัวเองมองไปแสวงหาอะไรรุ่นวายไปหนึ่งแล้วได้มาก็ไม่เคยอิ่มเคยพอแล้วเคยสุขกับมันจริงๆไม่เคยมิ่แต่เอ า, าความทุกข์มาเพื่อไม่รับรู้มาแบกเอาไว้ก่อนถ้าสมัยเรียนตย์สอนแล้วก็ ทำงานโครงการนี่ก็อยู่เป็นโจรมาบ้านนี่แฉลบสบายแต่ถึงเป็นเฟอร์เขาก็มีทุกข์นะคะเพร็คือลุกไปคิดอยู่เพาะพระจมันไม่น่นแคนั้นเองถ้าใจมันเนิ่นก็ไม่ทุกอะไรใจมันดื่อมันอยู่คนเดียวมันก็เหงามันก็เหงามันก็เ้าค่อยน้าเว่สาวเปลี่ยนใจดีมีความทุกข์จากแม่ค่ะตอนนี้ภาวนาไม่ได้ น่นะทั้งนั้นเนี่เราะเราไม่มีปัญญาหรืเรามีแต่ความเห็นเราไม่มองไม่เห็นความจริงของชีวิตเราหลายด้านเลยนั่งเยอะๆเราไม่เห็นความจริงว่าชีวิตเราก็มีแค่กายใจเรากายัใจมันก็ไม่ ไม่นิ่่มันก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเรื่องผสมประสานกันกายก็ชอมีการเริ่มต้นมีการก่อตัวมีการกำลังเติบโตเหมือนต้นไม้ต้นไม้ ม, มนันจะปวดมันขึ้นมามันก็ค่อยๆกำลังเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แลมม้วรู้สึกไม้ใหญ่ขนาดไห น, น, น มันก็ต้องล้มลวมามั้งวันขาจะเล็กแล้วแปดพันองมาไม้มันต้อเจะเป็นม้อายุยืนมาวไม้บักต้นก็ม า, มมายุแคัเพี ย, น, ย น, น, นข้าวจลดสามเดือนก็หลงอยุแล้วร่างกายของคนก็แบบยเดือนกนไม่ตางกันว่าจะผ้าสีเหมือนกันมีน้ำลายเหงืันกนัน รางการแล้วที่ญาตของคนมีใจความายุ่งเกี่ยวด้วยแต่เราร่างกายมีนก็จะเป็นเหมือนกับฝุ่กระบอกเมื่อฝุ่นที่ใจเป็นผู้เชิดเราไปไหนมาไหนกันทุกวันนี้เราใจเป็นผู้เชิด ร, ร่างกายพาร่างกายมาทีให้ใจเทียม คือละไรยกันทำละไรกันก็อยู่ที่ใจเป็นที่เชื่อมความเปร่างกายมันมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่ขอให้มันอยู่ปัจจัยสี่หล่อเลี้มันมันก็มันก็อยู่ของมันได้จะให้อยู่ที่ไหนก็จะตลอดมันก็อยู่ได้ไม่ต้องมาต้องมาถ้ามีมีอยามีลมมีอากาศมีน้ํามีดิน หลอนึ่งต้นไม้ต้นนั้นก็ อ, อยู่น ม, มันไม่ต้องไปหนัง ไ, ได้แต่ใจมันอยู่ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้มันต้องไปห่วหาอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าสรงตรัสเรื่องว่ามันเพราะกายอมู่ทำเพราะกต้องไป ทำนั่นทำนี้หาสิ่งนั้นหาสิง น, นี้คือหลงหาความสุขสุดที่ความสุขที่ที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจแต่ก็หลงว่าอยู่ที่สิ่นต่งตางๆภายนอกใ จ, ใจไปเทเราไปเถืหาแด่ใจขอร่างกายมาเป็นเพื่อนเลยหาความสุขใจ การได้เห็นได้ยินได้ฟังได้นิ้งลบได้นมเป่งได้สัมผัสกับสิ่งต่ตางๆแต่สิอนี้พระพู้ธเจ้าสรงชี้แเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ให้ความสุขที่ที่อื่นที่พอมีแต่การกระตุ้นความหิวความอยากให้มีเรื่งขึ้นไปนเรื่อยๆจห้ใจเป็นอยู่เฉยๆ หายต้องอไปนี่มา น, นี่หาถิงนั้ น, านหาถึงนี้มาดูมานแล้วหายยังไงได้มากนา้อยเท่าไรมันก็จะไม่อยูมันไม่พอเพราะมันไม่ใช่เป็นอาหารของใจอาหารของใจใจไม่รู้นอกจากพระพุทธเจ้ากับพราอหันต่านั้นที่ทำใรู้ รู้อย่างจริงๆคือไม่ได้รู้จั ก, กทำพิสดีใหาเราได้ยินว่าความสงบนั่คืออาหารคือทางศึกษาแต่เรายังไม่เคยได้สัมผัสกันเลยจริงๆเราก็ออยังต้องไปหาความสุจกจาเพียงอื่น ๆ, ๆันต่อเนี่ยเป็นสายเหตุที่ทําให้เราไม่อยู่คนเฉยๆไม่ได้แล้วเมื่อเราต้องไปไหนเาไห น, ไหนมันก็ต้องมี ม, มีพะมีภาระมีอะไรต่างๆขึ้นมาใจก็ต้องมีรถยถนต์ต้องมีถนนต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ้าสมบุรณ์เพืการเดินทางไปแล้วก็พอไปถึงแล้วก็อยากจะกลับพอได้ตาแล้วก็อยากจะกลับ <c oughs> <c oughs> พอกลับแล้วก็อยากจะไปใหม่เพื่อ ก็เจ้งตปเิงมาเหมือนเหมือนไม่าเหมือนมือนไอ้ไอ้ที่ลุกตุ้มกันนาฬิกาแกว่งไปแกว่มาแกว่งไสุดทางซ้ายแล้วก็กว่งมาทางขวาแก่งไอยู่อย่างนี้แกว่งไปอเรื่อยๆไม่มีวันสึ้นองการดาสามารถควบคุมยกต้งนี้นะฮะมันต่ำนะมันต้องจับาจกับใจให้มัน นิ่งให้เป็นนการมาเบียดนี้ก็มาเพื่อที่จะมาทําจให้เราให้มันนิ่งไม่ให้มันไปอยากระตุ้นนั่นนิดหนี่งหรือไม่อยากกับสุ้นนั่นนนึ่กระต้ิดหนึ่ถึงที่เราไม่อยากกันไม่คืเราไม่อยากจะยากเกนเราไม่อยากจะลำบากลำบากถึงที่เราอยากกันไม่คืเราอยากจะสดอยากจะสบาย แต่เราเราไปเห็นความสุขความสบายอยู่กับของภายนอกับ้ซึ่งมันโดยธรรมชาติแล้วมันไม่สุขมันไม่สบายมันเป็นความทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไปหาความสุขความสบายทางจากสิ่งภายนอก ที่เราทงานหาเงินหาทองกันก็คือเราคิดว่ามีเงินทองแล้วเราจะมีความสุขหาหาหายศ<ม>หาตำแหน่กันว่ า, าคิดว่ามีตาแหน่งสูงๆแลวเราจะมีความสุขหาบริษัทบริวา<ม>หาคนคอยมาสะะเส ย, ยุ่งย่องเยนยอหวใจเราติดกับการสารเสรเวลาทสะะเสแล้วเราจะดีใจ ถงแม้เสีย ง, งที่เขาพูดจะไม่จรงก็ไม่สําคัญจะจริงแล้วไม่จริงก็ไม่สำคั ญ, คญถ้าพูดแล้วถูกใจคนไทยได้แล้วเราก็หลงแล้วเราเราชอบกาเรเสพลูกเสียงจนเราปวดพระองค์ชอบดูลูกแตกหม่ๆชอบได้ยินเสียงแปลกหม่ๆถ้าเป็นของจำเจแล้วจะเบือ่อ ไหนจะเป็นของโปรดอย่างไรเดี๋อวถ้าลองให้ดูนิดฟังอะไรที่เราเราชอบมากๆให้ดูให้ฟังทุกวันไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อให้รับประทานอาหารจานโปรดให้กินวันละสาสเวลาให้กินเดือนทั้งเดือนเลยเดี๋ยวก็เบื่อเพียงแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริง จะมีพระพุทธเจ้าหรือนักบวชในสมัยก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดนั้ก็มีมีนักบวชอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาเห็นความสุดอีก ด, ด้านความสุดจากใจทำจิตใจให้สงบการจะทําจิตใจให้สงบ ก, ก็ต้องอยู่คนละฝ้ากับทางโลกทางรูปเสียงสิ่งที่เกิดกับเขาเพราะถ้าจิตลองได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงสิงที่เกิดกับเขาแ จับเงินทองจับตำแหน่งแล้วมันก็เป็นเหมือนมันมีความผูกพันมีผูกพัน ก, กันมันทําให้จิตอยู่นิ่งไม่ได้มีทรัพก็ต้องคอยหามาเพิ่มมู้นิมากขึ้นแล้วก็ต้องคอยรักษามันมีตำแหน่งก็ต้องคอยรักษาตำแหน่งไว้เลือกหาตำแหน่งที่สูงขึ้นมันก็ลยอยู่นิงน่งไม่นด้อยู่นิสัย ทุกวันก็จะออกไก บ, บ้านตอนตืต่นในชา้าก็ออกแล้วใครก็ไปเพื่อสิ่งอะไรนี้เย็นก็กลับมาแล้วก็วุ่นวายกับเรื่องหะไรนี้เดี๋ยวไหนจะมีการสดกันบ้างมีการย้ายกันบ้างมีการการธรรมหากินที่มันไม่ไม่ได้กำไรบ้างมีการขาดทุน บ, บ้างเพื่อมีความวุ่นวาย อยู่ตลอดเลยแต่คนที่เขาเห็นอย่างนี้ก็มีคนที่มีปัญญาก็เห็นว่านี่ไม่ใช่ทางสู่ความสุขวันนี้เราเป็นนักหวกันนักโยนในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ามาตั้งจะรู้ก็สามารถหาทางเสริม จ, จากควาสมสงบของใจด้วยการบำเพ็ญ น, นักษาสีแล้ว ก, ก็นั่งสมาธิามกิจกรรมสงบ ก็มีความสุดเป็นพักๆไปเวลาเอาจิตสง ก, ก็มีความสุขแต่พอออกมาจากความสงบแล้วมันก็ยังมีทัางอย่างทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับสิ่งที่ที่จะให้ความสุขกับตนเหมือนเหมือนเหมือนเทศของทาราวาต้อมีกันแต่นันก็ยังปดที่จะคิดถึงความสุดแบบนั้นไม่ได้ ถ้าถ้ากลับไปนั่งสมาธิทําจิตไม่สงบต่อนี้ไม่ดีเดี๋ยวก็หยุดอยู่ต่อไปไม่ได้ที่เกิดกันตายก็เพราะว่าจิตมันไม่สงบอยู่ไม่ได้จิตมันยังอยากจะกลับไปหาลูกเสียงจิตนั่นสดนะครับอยากไปห า, ง า, าเงินหายเยอะหาสรรเสริญแล้วพอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มันก็เป็ น, นอยนี้มีแต่ความทุกข์ ต่อต่อเนื่องกันไปพอเราจักไปึเมื่อว่ยคือว่าบวชแล้วเกิดออกไปไปมีครอบครัวไปมีภ ร, มรรยาไปมีลูกก็ต้องไปดูแลใจห่วงไปคอยไปเลี้ยงลูกภรรยาแล้วทายาท <c oughs> พี่น้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนีซึ่งทุกคนไม่ช้าก็เลยว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จะต้องไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมกันเวลาเจ็บค่้ได้ป่วยไปงานศพกันมันก็มีเรื่องให้ทำอยู่ตลอดไปเลยจนวันตายมันต้งมีที่มคื น, นแต่จิตใจนี้ตัเองก็ไม่ได้เจอการสุดที่สมุติเจ้าแลาา้ว พ, พระอรหันตาสาโลกมันเกิดขึ้นพราการศึกอย่างนี้มันต้องมันต้องตัดทุกอย่างออกไัดลาบยกเนสน ตัดมือเสียงจินมันตกอภาแล้วก็พยายามควบคุมจิตด้วยสตินรับจิตไม่ให้ไจคิดเรืงอะไรต่างๆให้อยู่ให้ว่างให้ได้พิจารณอิบายแห่งสมาธิกะ็ะโดยกรรมพุทธโธพุทธโทธไปนิสวบมุนไปดูลมหายใจเข้าออก หรือถ้าอบายอุบายแห่งวิปัสสนาก็รพิจารณาดูร่างกายดูอาการสองท์สองถ้าิอยู่คิดอยู่แต่ในเรื่องเหล่า น, นี้แล้วจิตจะสนบจิตจะไมุ่่นจะไม่มีความกำนังยิ่งดีจิตตงต่างๆถ้าถ้ า, ถาจเจริญทางปัญญาได้ยิ่งจะมีความรู้สึกเบื่อหน่าย พอต่างๆเพราะพิจารณาอะไรก็จะเห็นว่าไม่เที่องเท่านั้นเป็นทุกข์นั้ไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะเหนี่ยงรังให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่เป็นทางเราไปได้ตลอดร่างกายของเร น, นี้พิจารณาไปก็เห็นมีแต่จะแก่มีแตจะเจ็บมีแต่จะตายบังคับมันไม่ได้มันต้องเป็นอย่นี้น แล้วสิ่งต่างๆที่เราหามาได้จากร่างกายด้วยร่างกายนี้มันก็จะหมดไปพอร่รางกายนี้ตายไปสมบัติเ ง, งินทองเครื่องของต่งางๆก็เป็นของคนอื่นไปใครมีบุญมีวาสนาเขาก็เขาจะมาครอบครองไปมันมีตำแหน่งอะไรพอเราตายไปแล้วตำแหน่งนี้มันก็เป็นของคนอื่นไป หลาปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ตายว่าใจผู้ที่ก่อปัญหามันไม่มันไม่ได้ตายไปกับกายถ้าใจมันตายไปได้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้จบแต่มันไม่ตายมันก็ไปก่อนดันแล้วมันก็มันเริ่มต้นอย่างนี้ใหม่มีรอบรอบนี้ไม่ใช่รอบที่สิบรอบที่ร้อยนะตั้งแต่มันยิ่งกว่าล้านล้านรอบอีกล้านคุณล้านรอบอีก เนี่ยมนความทุกข์ที่เราผ่านมานี่มันแฝงสาหัสและมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดใจของเราถ้าเราไม่ตัดใจของเราด้วยการปฏิบัติบําเพ็ญการปิติภัณฑ์การสงฆ์ใถ้าเราหยุดใจเราได้เมนะืาอไห้วเราจะเสิดสิ่งที่เศษที่สุดในโลกความเจริญกับการรู้ตาก็ได้ ไม่มีสุดอันใดในโลกนี้ที่จะเสมอและเหนือกว่าความสุดที่ได้จากความสงบระลับของจิตใจติดต้องระลับจากความโลภทางโกรธทางหลงต้องระลับจากความอยากอยากในตามอยากเหรออยากอยากมีอยากเก่งอยากไม่มีอยากไม่เก่จะละอยากได้ก็ต้องมีปัญญาต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่จิตอยากอยากได้ อยากมีอยากเป็นนั้นมันไม่มีสาร ะ, ะไม่มีแก่สแนสารไม่มีคุณค่าอะไรมีแต่โทษมีแต่ทิศแต่ทาเป็ น, นเหมือนระเบิดเวลาถ้าเด็กไม่รู้จักก็ระเบิดถึงลูกระเบิดก็จะเป็นลเนลเเ่นกับลูกระเบิดพอระเบิดมันระเบิดข้นมาเด็กก็เจ็บตัวถึงแก่ความตายจิตขอ ง, งจิตใจก็เหมือนกับเด็กนี่ คือมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังนักตาในสิ่งต่างๆที่จิตไปอยากไปได้อยากผลักพอได้พอไปเล่นมันก็เหมือนกำลังที่ไปเล่นแล้วเป็นผมดึงเองมีใครบ้างที่บอกว่าไม่มีทางทุกข์ไม่มีเรื่องไม่มีความกังวลไม่มีความโหยงหญไม่มีความเสียอกเสียใจ อะไรอวัยวะสิ่งเหนี่มันเกิดจากความไม่รู้บางสิ่งคืความหลง น, นั้นศาสนาทุกสิงต้องใช้จึงเกิดขึ้นมาเพราะว่ามาแก้ความหลงนี้เองพรมพุทธทะคือผู้รู้รู้จริงเห็นรู้ความจริงของความสื่อมแความทุกข์ของใจพระพุทธเจ้าเป็นองค์แร ก่อนหน้านั้นนั่งอยู่ทั้งหลายไม่รู้เพียงแต่รู้จากวิธีระงับให้จิตสงบได้เป็นเป็นพักๆ ก, กันเวลานั่งกําหนดคึกโคร้วยกาหนดอยูล่ลงหายใจเข้าออกพอจิตสงบการนั้นก็สบายเลยเรื่องราวต่างๆไม่คิดของเรื่อง น, นั้นเรื่องง น, นีน้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้มันก็ไม่มาสร้างความวุ่นวายแต่พอถอนออกมาก็เริ่มคิดตอนนั่มคิดก็เริ่ม ก็เริ่ม อ, อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะฟังอยากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าบางทีก็ถ้าเป็นเรื่องที่ถืกอกถือใจก็ดีใจแต่พอไปได้ยินเรื่องที่ไม่ถืออกถือใจเขาจะพูดไมยใจแล้วก็พยายามจะไปแก้ในสิ่งที่บางทีแก้ไม่ได้แต่ไม่รู้ คนคนจะเจ็บคนจะตายมเปจะแ ก, ก้ยังไงก็แก้ไม่ได้เป็นแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วไปจะให้หายได้อันนี้แล้วอาจจะอยู่ไปสักห้าปีสิบปีเดี๋ยวก็กลับมาที่นี่แล้วก็ต้องกลับมาอีกที่เดิมเป็นแต่ถัดเวลาไปเรื่ย จะยั่งอยู่ในโลกก็ทําก็ต้องทําไปทําได้จะทำไปแต่คนจะทําด้วยปัญญาคือทําว่ารู้ว่ามันก็ เ, เกรื่องต่างๆผ่อนเวลาไปแค่นั้นเองผัดเวลาไปแต่คนที่ที่ที่ที่ได้รับการรักษาแล้วถ้าเขาฉลาดก็จะดีเพราะเขาจะได้รับประโยชน์ถ้าเขารู้ว่าออกชีวิตของเรานี่มันมัน มันหมดนะคั้มั น, ม, นมันเกือบหมดแต่ครั้งหนึ่งตอนนี้ได้โอกตสาเรายังจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่เียกว่าเราจะใช้ชีวิตตามที่พระพุทธเจ้าเสั่สนมันก็จะได้ประโยชนเทนนถ้าได้สติได้สตางค์แ ล, ล้วรู้ปฏิบัติตามที่พระพเจ้าเคยสสอนดีไม่ดูก็อาจจะเกิดจิตภายในไม่กี่วันขณะพระพุทธเจ้าจเสด็จอปโปรพระราชนิพนดา บรรลุเป็นพระห่าง7วันก่อนที่จะไปประดิษฐานเท่านั้นทรงประชวรพระพุทธจ้าไม่ได้เอาหมออะไรเล้ไม่ได้เอารถพยามานไปแต่เอาธรรมโอษฐ์ไปเอาความจริงไปหายจิตหรือให้ปล่อยวางสงขายล่างกายเป็นของเพื่อนพระพุทธเจ้าวระตาสังขาละมีการจัดขึ้นตั้งอยู่แล้วจับไปเป็นธรรมดา การปล่อยวางได้จะทําให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดจากการการการแตกดับของสังขารร่างกาถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางได้ร่างกายจะอยู่จะตายก็เหมือนก็เหมือนกับแก้วน้ำถ้วยน้ำถ้วยนี้อาจจะเอาไปเล็กอาจะไม่เอาไปมันก็ไม่ได้บ้าง ถ้าปัญอะไรในหัวใจแต่ถ้าเราไปมีความหวงว่าแก้วนี้เป็นแก้วมีราคาแพงนอเป็นแก้วแก้วที่เราโกรมากมาแตะ้ไปทาแตะข้าวเนีก็ใจเหมือน่ใจก็วุ่นวายร่างกายของคนกับแก้วมันก็เหมือ น, นกันหรือเต็นยิน น, น้ามันไปหรือเตมามัน มันเป็นอนิจจังเหมือนกันไม่ช้าก็เลยสักวันอะไรเราต้องปลุกสกไปหายไปเหมือนกันมันให้ความทุกข์ด้เหมือนกันกับคนที่ไปหลงไปยึดไติดเนี้วไปรักไปชอบมันไปอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่เวลามันไม่อยู่กับเราเหมือนกันหรือจังแต่ถ้าสอนใจอยู่เลยว่าเฮ้ยมันต้องไปอยากตายให้มันไป ไม่ทำเลยเสียดายรอมันจะไปก็ก็ไม่มีวานปล่อยไปพราะพิจารณาแล้วมันเห็นชัดแล้วมันจะปล่อยจริงๆมันจะปล่อยในใจก่อนพอปล่อยในใจแล้วมันจะรู้ว่ามันโลกมันเบามันสบายอยาโลกจะหายไม่หายยังไงมันไม่มันไม่ได้ตายแล้ว เป็นสิ่งที่เราทําได้แได้ใจของเราบางทีมันเหมือนกับมีกาวตากช้าพอมันได้แล้วนะแล้วมันติดลองไปเอายากมันออกดีในเวลากาวตาช้าติดแบบอะไรมันยังไม่แค่จะออกอย่างนี้่งง้างขึ้นมาเป็นก็ต้องสิ่งที่ติดกันนี้วค่ะการปออกใจจากกันใช้ตรงนี้น่าสนใมากนี่คือผลที่เกิดจาความเหนื่อ เห็นความสจ็อยู่ภายนอกใจอเอาก็ะไรไปหากันอย่างเช่นนั้นไปหาความเจ็บแล้วก็ได้ของได้ความทุกแทนมาด้วเห็นไปแตะน้ำมนแล้วก็ได้ค่าในแก้วแทนมาด้วยได้อะไรมาก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นยิ่งรักมายิ่งทุกข์มา ถ้าไม่รัก่ไม่ค่อยทุกแต่ก็ทุกข์เหมือนกันทุกตอนที่ต้ออยู่ร่วมกันแตาจากกันก็ไม่ไม่กไม่ทุกข์แต่ถ้ารักมากเวลจากกันก็ทุกข์มากาวไาทุกข์ไม่เอาทุกข์ถ้าไม่เอาทุกข์ก็ต้องทำใจให้เป็นกลางเฉยๆ ไม่รัไม่ชัแต่มีควา ม, มาวเามตตาการณาในนิริกายและก็มีอิเดียถ้าอยู่แบบนี้ก็จะอยู่แบบนี้ทุถ้าไม่มีเหตุที่จต้องทาอะไรต่อกันแล้วกันก็ปล่อยให้เป็นกายการอภิรักษ์ใส่อยากจะทําอะไรอยากจะเอาเท้าเดินก็ได้อยากอยากจะเอาแขนเดาเอามือเดินก็ได้หยากจะคลานสี่เท้าก็ได้ จะทํางานกันได้ในชีวิตของเขาถ้าเขาไม่เดือดร้อนขึ้อย่างเราเป็นเดือดร้อนแทนเขาทำไมบางทีเราไปเดือ น, น้อนเองเขาไม่ได้เดือดร้อนตลอบชีวิตของเขาเพรเราไปหลงไปรักเขาไปยึดไปติดเขาเราเห็นว่าการ ด, ดําเนินของเขา ก, ากำลังจะดําเนินไปเสื่อความเสือ่อมเสียความทุกข์มันก็เป็นเดือดกันร้อนแทนเขาตับ พูดยังไงบอกอยังไงเขาก็ไม่ฟังก็ยังเดือดร้อนอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ไม่ถือก็เป็นการสร้างความเครียับตัเองบอกได้สอนได้เหมือนครูจ้าเหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่ก็ไม่มาช่วยคนเดือดร้อนกันเราแล้วแล้วกังไปผฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติเรือไม่ปฏิบัติตรงนีอง้นอยู่ที่ตัวเขาต่าางหมันไม่ได้อยู่ที่คนสอน คนสอนจึงไม่ควรไปเด็กเราคนสอนขอให้ทําหน้าที่ก็แล้วกันด้วยสังสอนไปเมื่อเขารู้แล้วเขาจะปฏิบัติได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับตัดใจหลายอย่างฟังแล้วไม่เข้าใจก็ได้หรือใจก็ไม่รับเห็นที่เราสอนสอกนก็ได้ถ้าใจไม่รับแล้วมันก็เหมือนเทน้ำใส่แก้วที่มันคว่ำอยู่เทไปเทไรมันก็ ไม่มีมันก็ไม่สามารถรับนามได้คำสอนที่ดีที่งามสอนให้คนที่สนอนไม่ยอมรับมันก็ตอบไปอยู่ปัญญาของพวกเราก็คือความหลงโดยสรุกเราขาดปัญญาเ <c oughs> มื่อมีความหลงแล้วก็เกิดความยึดความติดความอยากต่างๆขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะมีความพอดี มันจะทําอะไรมันทำทุกอย่างในกรอบของเหตุผลเรื่องที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดูดูที่ใจของตนเองด้วยว่าทุกข์วุ่นวายกับการกระทําของตนเองหรือเปล่าคนมีปัญญาแล้วจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวาย mm hmm. ถ้าจะทุกข์จะวุ่นวายก็จะหยุทันทีแต่คนที่ไม่มีปัญญาทันทีวุ่นวายทุกข์กว่าคนที่เราจะไปช่วยเขาที่ ตอนทีเขาจะให้เชื่อเขากับเห็นว่าเรายุ่พูุ่นวายไม่เกินดังนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราควรจะใจวางหาไม่ได้หยีใครว่าหยีใครเนี้ยคือความสงบของจิตใจต้องมีทางศีลภาวนาหรือการกระทำความดีต่างๆการกนั้นอยู่ ก, ก, กระทวาที่เป็นมาตลอะ การรัเทียมการเสียสละรับใช้ผู้อื่นไม่เดียดเดียนที่อื่นแี่วก็การให้การเล้งการกินยายมดีต่าเรื่องดีสารุทที่ใครกรดึกได้มีนั้นก็ปล่อยนห้ไปซึ่งเป็นเป็นบุญของเขาใครทุกข์ใครยากใครลาบากเพือ่อให้มีการกันยากา่อเหลือกันได้การช่อเหลือกันต่าง ไมีเมตตาต่อกันเหย่อมองกันเป็นเหมือนกับชฉลียคู่ต่อคู่กันหมายความว่าเป็นมูตเป็นเครื่องกันแล้วมันจะช่วยทำให้จิตใจสงบไม่รุนวรงแล้วเมื่อเราดูเวลามาปฏิบัติธรรมมันก็จะสงบมากถ้าเราปัญญาถ้าจิตสงบแล้วจะไดปัญญาก็จะเห็นว่าใน่องนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทวามคิด ความติดอยู่ที่จังก็ไม่อยู่ในเรื่องนี้ติดก็จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องไ้ได้ก็ะจะไม่เดือดร้อนไม่เกี่ยวกับบรรยากาศต่างนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้งจจั้นก็ถ้ายังต้องอยู่ในเรืงนี้ก็ต้องทำมาจินก็ทำเพื่อมาทำคัามดีทำเพื่อมา หาสมบัติที่นี้ให้ได้ติดใจอย่าไปทำเพื่อเงินทองอย่าไปทำเพื่อกำเนิดทำเพื่อให้ได้มีโอกาสได้เข้ามาหาความสุขใจห้ได้ได้ขออนุญาติาเพื่อในการเพื่อความรู้กันละคือมันยานะยังบางคนเนี่ยกัไปห า, หาใช่เพื่อ บางครั้งถึงแม้จตั้งใจและจึงตอบมันเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่ต้องทําอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยต้องหาเงินหาพองมาเผื่อให้รูกให้ใจในกากันปารการศึกษาหรือยะไรนะถ้าในการสอบสอบอะไรอย่างเงีความหน้าที่รับผิดชอบเลยถือว่าเป็กันแน่เลยตองเป็อย่างไม่ได้ทําเพื่อเพื่อใจแตต้องทำเพื่อหน้าที่ก็ต้องทําแต่ก็อย่างที่พูดแลว่าอะไรที่จําเป็นต้องทําก็ทำไป แต่ไม่ได้ทำเพื่อความร่ำรวยไม่ได้ทำเพื่อให้มีตำแหน่งเสือเส่อยหรือยศเฉื่อยทำไปเพื่อให้อยู่เพื่อจะได้มาทําตรงนี้ต่างหากคือมามาทําใจให้สงบต่ทีนี้ที่ผมเรียนมานะอยู่วันนี้ถือว่าทุกคนเนี่ยก็จากอาจารย์สี่ราย น, นียจะมีจะมีทั้ ง, งหลายอย่างอย่างเช่น ความมีหน้ามีตาในสังคงกันก็น่าถือตานะว่าความไม่ครอง็นชีวิตในตัวตาคนเดียวหนึ่งก็ให้ายๆมันรอบขึ้นจากที่ท่านพูดได้หน่อยไม่ต้องเ็นปัญหาเมกันเพราะเราอยู่ในอยู่ในโลกก็นั่นแหละคือนความจรเพราะสิ่งที่ต้องการเรานั้นมันไม่ได้ให้ความสุขมันก็ไม่ไม่เิันไม่ันไม่เป็นคุณแต่มันเป็นโทษแต่เรามองมันเห็นกันี ไมยได้เคย้ำไม่ใจในทางทำค่ะเราไม่ทำอยากอยากให้คนนับหน้าถือตาถ้าไม่ได้ก็เสียใจถ้าได้แล้วเกิดเขาไม่นับหน้าถือตาเราเราก็โกรธเขาเรื่อยๆทุเทีที่พูานพูดเรื่องสอนล้วไม่ท่านเขาจะไม่ทำอะไรก็ตามใจเขานี่ยแต่บางทีในเรื่องเรื่อการศึกษาจริงนะฮะอย่างผู้ที่เป็นครูเนี่ย เสารักจมีการติดตามผลการศึกษามัจะมันกเท่าไม่ขัดครหรือขาดไปนะว่ามาทำงานไม่ทำให้เขาเป็นคนดีให้ได้หรือะไรเนี่ยหรือที่เอพียงสอน้ปก็ทได้้วยคนตอนนี้ก็ดีลงแบบนี้ปากเพงแต่ว่าทำไมไม่ไม่เพียงสอนให้เขาเป็นคนดีให้ได้หรือว่าติดตามผลการกาที่เขาเข้าใจไม่เข้าใจเพราว่าของเขากเจาขึ้นไปอีกขั้นอย่างลําดับขั้นหนึ่คือเระเรา เราสอนแล้วเราก็ดูเราก็ดูเ ร, ดเราดูความสามารถของผู้รับว่ารับไดนน้น้อยเพียงใประเมินผลไปแต่ที่คพืพูดท่พูดบอกบอกว่าไม่ให้ไปมีมีอารมณ์กับการ ส, ารสารั่งสอนอะไรคืสั่งสอนไปจากนักเรียนในห้องมีสามสิบคนใจนักเรียนเปนสอบได้ทึ่หนึ่งก็คนคงจะไม่ได้ จะให้คจิตทุกคนก็คงยังไม่ได้แต่แต่จะช่วยให้คนที่อาจจะใกล้ใกล้จะตกจะตกเนี้ยให้สอบผ่านได้ก็คืออย่าต้องเรียกบบัตรีพิเศษหรือมาสอนตพิ่มเติมอะไรเลยถ้าใส่เขาเป็นไงทัวก็ถ้าตูองทำวิธีการถ้าเป็นคนที่ดีนะริบความผิดเหมือนเดิก็ก็ทําไปไม่ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละแต่ละบุคคลถ้าต้องการจะทำนี้ก็ได้ในเวลาทำไป มันเป็นวิธีการไม่ได้ไม่ได้่ ไ, ไดห้ามไม่ได้อะไรทั้งสิ้นมีแบบที่ที่พู้จะเป็นแนวหนึ่งเท่านั้นเองมันหนึ่งในแนวทางที่มีอยู่ตอนนะีะหลายแนวทางเยอะยะกันเพราะฉะนก็ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นแนวทางเดียวที่จะดำเนินชีวิตเพราะถ้า ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกวันก็ ม, มาเปิดพระกันอยู่แล้วแสดว่าพระก็ต้องสอนแนวทางของพระใช่ไหมเข้าใจไม่ลงอในในในโลกนี้มีลัทธิต่างกันมากคำนี้ซึ่งพระประจำด้ซึ่งมันก็เป็นแนวทางความคิดของานในการดำเนินชีวิต ทุกคนก็คิดว่าแนวทางของเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะพระพุทธศาสะะนาก็ไม่ได้มาลม ล, ล้างวิถีทา ง, องของขีงมันไม่มาล้มลัางวิธีการดาเนินชีวิตของใครที่เชื่อพุทธก็เพียงแต่ในหน้าที่สอนทางของพิชเท่นี้นว่าเป็นอย่างนี้เราไปทางนี้ทางเราทำอย่างนี้ทางคุณจะมาด้วยก็เชิญไปมดนะในต่ละขอบก็ไปทางนี้เราจะไปทางน้ อยู่ที่นั่งถ้าคุณอยากจะขึ้นมา่็มาแต่ถ้าคุณไม่อยากจะขึ้นมาก็ไม่นนจะนง่งคนก็ไปทางพระพุทธเจ้าท่านสอนเหมือนแนวนีชเงเพื่อความอดทนค่ะทีาทำแล้วตามไปได้ไม่ต้องมาเกิดอีกค่ะก็ก็เพื่อพูดลงเพีนพูดยังไงลงก็ ่คนถ้าไม่มีความคิดนย่างนี้พูดใจนี้นะไม่เกิดเลยถ้าเขาไม่เชื่อการเกิดการยินไล่ตายเกิดไปพูดเรื่องการยินไล่ตายเกิดมันก็ไม่เกิดเลยที่คนนี้ไม่พยายามเน้นแต่ให้ยนไล่ตายเกิดเน้นอยู่ตรงปัจจุบันคือตัวจิตตัวนั้นตัวเดียวเท่านั้นว่าทําไมอยู่ไม่เป็นสุขแต่ครั้าที่มันควร ม, มันมีพักมันเป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร ถ้ารู้ทั้งปัญญาถ้าเข้าใจถึงภาพภาพความเป็นจริงของชีวิตก็เป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางเท่าั้เองทีนี้คําว่าปล่อยวางนี้คนไม่เข้าใจก็ว่าเอาปล่อ ย, ยอทุกอย่างเลยลกก็ปล่อยนี้ก็ปล่อยหัวก็ปล่อยไม่หน้าที่อะไรก็ทําไปแต่ทำํำในขอบในเขตของเหตุผลในความจำเป็นถ้าว่าเหตุผลเก็คอยจําเป็นต้องมีข้าวกินก็ต้องหาข้าวมากิน ต้องมีเครื่องฆ่าใส่ก็หาเสื้องฆ่ามันใส่แต่ยาขี้ชุดนะยาวชุดลาขี้ตันอันนั่นหน่งอีกเรื่องหนึ่งการไม่หลวงบอกจะก็บเส็จเก็ บ, ก บ, กบอคอเพื่นเพื่อนขอก็ยังมานั่งเสียงวันทุกวันมันเป็นอย่างไรกันแน่ก็เราไม่เข้าใจไอหลวงนี่ท่านพูดธรรมะอย่างธรรมะถ้าคนมีธรรมะเขารู้ก็มีขอมีข้อสิ้นมีปัจจัยสีเมื่อมีปัจจัยสี่ก็พอแล้วอย่าไปแสวงหายอย่างเดียว เรื่องหน้าตาเรื่องอะไรต่างๆมันไม่ต้องไปกังมันไม่ได้เป็ให้ตัวให้ความสงบเามาเร า, าทำจิตให้สงบดีกว่าอั น, นมามาเจริญปัญญาแล้วปล่อยวางอันนี้แหละจะให้ความสแนวพูดธคุณนี้แต่อย่างที่เราคุณโยมเพื่อที่ได้อ่านมาถันมันคำโลกเขาก็บอกว่านอกจากปัจจัถจิแล้วก็ต้องมีเครื่อมีถูงมีมีชั้ น, นาการอะไร มี ม, ม, ม, มีมีการพักผ่อนหย่อนใจออกกีฬาหรืออะไรประเภทแฝงแตกต่างๆ่านั้นก็ก็ก็เป็นได้มันก็เป็นทางศึาแต่ทางทางผู้เราว่ามันไม่เป็นการศกจบแต่มันมีทุกข์แถมมาด้วยท่านั้นเองเพรไม่ได้ไปแก้ปัญหาจ็บที่ที่ที่อยู่ในใจของเรา ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราต้องพัดผ้าจากกันเวลาที่เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนวลาที่เราต้องว่า การเกิดเป็นธรรมดายัางไงก<ม>็ต้องเกิดดังนั้นก็ไม่ได้สนใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ตามที่ลูกมีน้องก็จะเขาบอกก็ทุกข์ก็ทุกข์แต่ก็ยอมรับแต่ยอมรับแค่นนนะคิดว่เจาว่องเงินอยู่อย่างนี้บางทีทําม่้สึกเจ็ก็ฆ่าฆ่ า, าสัวตายกันเยอะแยะทั้งวันนี้ก็คิดว่าเมื่อมีปัญหามา ก, กรักสัมพันไม่ได้ก็ยุติปัญหา ้าคาตัวตายแต่มันไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพราะตัวที่ตัวที่ถูกฆ่ามันเป็นเพลงขุ่นขุ่นนั่นเองไอตัวเชื่อต้องฆ่าจะฆ่าต่างฆ่าตัวเชื่อตัวเชื่อก็คือตัวความอยากปัญหาทั้งหลายนี่ยตัวตัวที่จะต้องฆ่ากับไม่ฆ่ามันจะฆ่าร่างกายก็เหมือนพวกวิจารณ์ตอนแสวงหาการตัดสินใจก็จะฆ่าร่างกายด้วยการไม่กินข้าว พอข้าวเป็นห้าสิบเก้าวันแต่ตัวที่เชิด ร, ร่างกายนี่มันยังมีกำลังเป็นที่อยู่ในจิตในใจเพโอ้ความทุกมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวที่ทําให้ต้องดิ้นรนกวอดใจจะแสวงหาเนี่ยตัวนี้นะครับคือการข้าวแล้วก็ข้ามได้คือละละมันได้หยุบกันได้ จะ ต, ต้องเห็นด้วยปัญญาเนว่าสิ่งที่เราอยากจะได้นั้น ม, มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ม, มันให้โทษมากกว่าให้คุให้ความทุกข์มากให้กับความุขจะมันเป็นสุขตอนต้นแต่มันทุกข์ตอนกลาย ฉนนเวลาคนที่ได้ตำแหน่งนายกอะ น, นี้ดีออกดีใจนีพอตกเก้าอี้ไปก็ไม่มีท่าเลยไม่ไม่มันจุดต้นทุกปลายในทางศ า, ศ, าศาสนาที่สอนว่าทิกต้นจากจุกปลายทุกโดยการต่อสู้กับความอยากคนที่กิดไปเลยนี่เลอกมือได้นีสบายกว่าคนที่ติดดี ความที่ติด เ, เล่านับเลอกได้นี่ดีกว่าแต่เวลาที่จะเลิกนี้มันทรมานเวลาจะเลิกติดเล่านมันทรมานที่จิตใจแต่ก็ไม่นานไม่กี่วันถ้าเราเตืนได้อดได้ทนได้มีรู้จักอุบายีิธีถ้าทาจิตให้เสงบได้แล้วก็พอหางมันสักระยะหนึ่งบางอย่างมันก็จะเบาลงไปเบาลงไป มันมันก็จะหากันหรือถ้ามันจะกลับโผลกลับขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันนโทษมากกว่าเป็นคุณเป็นแบบคิดแค่นี้มันก็ไม่กล้าจะกลับเราก็กลับไปอยู่แบบภาพเดิมเงี้ยหรืออยู่ในสภาพนี้ไม่ดีกว่าแต่บางคนก็ไม่เข็ดเวลาอยู่สองคนทุกข์แถมทุกข์ก็ยังอยู่เวลาอยู่ก็อยากจะเวลาอยู่ก็อยากจะแยกกันน อแยกกันได้แล้วก็อยากจะไปอยากจะมีใหม่ถ้าเลิกได้ถ้าเลือกด้วยสัญญามันจะเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่เป็นแล้วมันจะไม่กลับไปหาสิ่งนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรคือฐานะก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะอะไร คู่ว่าทางนี้ถูกหรือทางนี้ผิดอะไเป็นเป่เพียงแต่ว่าเป็นทางที่เราเดินมาแล้วเราก็มีความพอใจเราก็เราก็บางคอั้งเราได้เป็นรับประทานอาหารที่ร้านนี้ต่ ว, ว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็ลองบอกญาติโยมลองไปาากินดูญาติโยมไปกินแล้วไม่ไม่อร่อยก็ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรก็ไม่ต้องไปกินเลย คนที่เห็นทุกแต่แตไม่เห็นธรรมเนี่ยก็ลำบากนะเพราะถ้าตัวตายก็ถ้ า, าตัวตายาเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าจะเห็นธรรมก็ต้องเห็นทุกแต่เพื่นคนที่มีทุกแต่ไม่เห็นธรรมเนี่ยลูกว่าก็มีอยู่ทั่วไปเพื่อเห็นทุกแต่ไม่ไม่ได้แต่วิธีดับไปดับไป ด, บดับด้วยวิธีเพิ่มทุกข์ขึ้นแทนทุกข์เป็นเวลา ทุกพราว่าไม่ได้ไปเที่ยวเนี้ยก็เลยใช้บัตรเครดิต ไ, ไปจา่ายเงินจ่ายของด้วยบัตรเครดิตแล้วมันก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นไปเพราะไม่มีเงินสดแล้วเนี่ยก็ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วเมื่อาไม่มีทางที่จะหาเงินสไม่ได้ต่อไปแล้วจะเอาเงินเห่านันาใช้หนี้เครดิตมันก็เป็นทุกข์เพ่มขึ้นไปนี่คือ ทางวิธีแก้ทุกที่ถือว่าถัาไม่มีการซื้อ า, า ก, ก็อย่าไปซื้อมันนี้เคัดอยู่บ้านเฉยได้ด ร, รู้รู้ทุกรู้สึกทุกแตไก่ไม่ได้ับทุก <c ười> มไม่ได้ับงแค่ดี ได้มือถือลงไปเขียนที่ท่านจะปรกชุมสาวเกดท่านจได้หรือยังคะ <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้ไม่เจอข <c oughs> องใหญ่ในประเดีอไรย่้ ทิ25่25จะมากันใหม่นะมพี่คะลงลาขึ้นลาทีจริงคท็กก็ดีน้องที่มาคนที่มาด้วยกันเนียขาคงมีความทุกเ ง, ง้่ไนคะจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติในที่นี้เข้าใจคาสอนของพระพุทธเจ้านะเพราว่าปฏิบัติมากันพอสมควรใ น, นเวลาเนี้ยเขาก็มีทุกข์มากเาก็รู้อยู่เลยนะแต่ว่าแค่แค่ก็ยัง ทางทางออกไม่ได้คือในที่ทํางานเนี่ยมีปัญหาในที่ทํางานมากแล้วก็กดดันเขาก็รู้ว่าการผองมาปฏิบัติทำเลยนั่นเป็นการวางล ง, งแต่มันจะมีภาระหลายเรื่องที่ยังต้องทอําไม่ไม่สามารถจะทําตรงนั้นให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้มันมันเป็นความกดดันหลายหลายทางแล้วทําให้พวกมากเขาก็ไม่รูจะ อ, อุบายไงแต่คือนี้จะปล่อยไปอย่างนี้แล้วมันจะพบทางออกเองคื ก็ทำเท่าที่ทําได้ก็แล้วกันทำได้เท่าไหร่ก็ทำเทำ่านั้นแล้วผมลเออก่ามางานยังก็มันก็ต้องเตินต่างๆ ต, ต่างเรื่องของมันบางคนเดียวมนจะไม่สามารถที่จะมันไม่ต้อไม่สามารถในทางถ้าเราทําทําได้เท่านี้มันก็ได้เท่านั้นแต่ความอยากของใจมันอาจจะมากกว่าความสามารถของของตายที่จะทำได้มันก็เลย คือค yeah, pues so, ือทำเราตอนนี้ไม่จดใจคนคนที่เหนือยไปการที่ทำที่ทำที่เราทำที่สุดถ้าให้สุดใจจะได้ยังไม่จดใจเช่นกันคือเราเราเช่นเดิมฟังก็ได้ก็คือเขาต้องขายรถเมื่อก่อนเนี้ในภาวะเศรษฐกิจดีเแี่ยก็จะสามารถขายได้เยอะนี้เออผู้เป็นนายเนี่ยก็ กดดันครับเป็นเป็นเป็นญาติเสด็จกันเยก็บอกว่าต้องเ้าเต้าให้ขายได้วันละสามคันนะคะทีนี้เขาทาไม่ได้เพราะจะติดปฏิบัติีะแล้วก็แล้วเวลานี้เขารู้ใจเขาแล้วเขาอยากออกไปเขาอยากออกไปมากเป็นคนมีสถัามากแต่เนื่องจากว่าภาระทางแม่ก็ยังมีอยู่ก็เลยมันเลยกดดันหลายทางก็ต้องยอมรับว่าเขาเครียดมากก็ครับ ออม่ตาท่านจากทชี่แอแ่ยเหาเขาเื่องความเครียดยมันมันแก้ได้แต่ถึงพัายอกนี่มันถึงแก้ไม่ได้คือความเคียดนี่มันเกิดจากจิตเราใหยาบกับเรื่องนั้นเรนี้กับสิงนั้งนี้แล้วมันไม่เป็นไปทางที่จาจหยาบมันก็เกิดความเครีขึ้นวิธีไม่ง่ายก็คือเรายอมรับพันยึง อะไระเกิดก็เกิดเราทาดีที่สุด แ, แล้วทําหน้าที่อย่า ง, งาเราเต็ ท, ที่แล้วตาเป็นความสามารถของเราทุกอย่างเร า, งงาด้วยความถูกต้องดีงานด้วยทํามซื่อสัตย์จริงจิตอะไรก็ว่านะแต่ถ้าผลมันไม่ออกมาที่เราต้องการเราก็ต้องตอบความต้องการของเราให้ให้เท่ากับผลที่มันออกมามันก็มันก็ไม่เกลียดพ อ, อ, อใจกับสิ่งที่เกิเดขึ้นยิ้มเล็กพอใจด้วย ก็ต้องไม่ต้องต้องไม่ได้ลงไงก็ต้องปรับเอาแล้อาแล้วาทายังไงเขาก็ไม่พอใจอเขาไม่พอใจก็รู้ว่าเขาไม่พอใจยอมรับสภาพยอมรับสภาพแล้วถ้าเขาอยากจะย้ายเราไปก็ยอมไปถ้าเขาอยากจะไล่เราออกเราก็ไปแต่ยอมรับสภาพแต่ก็ยู่ติดใจเรื่อเพศอยู่มันไม่ห า, าย อ๋อถ้ามันยอมมันไม่มันมันมันเครียดมันไม่เครียดถ้ยอมนะมันไม่เครียดถ้าใเครียดก็แสดงว่ามันยังไม่ยอมต้องทนก็ไม่ได้หมายาว่าให้ปล่อยวางแล้วอยู่เฉยอย่างนี้ก็ได้ถ้าทําได้ยิ่งดียุดกระไล่ฉันออกไปปฏิวัติเลยแล้วไม่โกหกคนแล้ว ถ้าอย่างนั้นได้ยิ่งดีแต่อย่างเห็นได้ก็ต้องแบบว่าต้องต้องกล้าที่จะอยู่กับสภาพที่กระผมผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเราจะตกงานก็อยอมรับถ้าถ้าจะต้องไปติดคุติดตรางก็ไปอะก็จะแพ้แต่นี่คื อ, อยอมรับความจริงเพราะคนเราถ้ามีปัญญาก็รู้ว่ามันไม่ใช่ก็เลยเขต้องตาย เั น, นไม่มีอะไรที่มันจะรุแนแรงกับความตายหรอกทํามารผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของเราโทษสูงสุดเพื่อแค่ประหารชีวิตเทน น, นี่คือหมายความว่าให้คิดถึงผลเลวร้าย ท, ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาที่ดีที่สุดของเราเราคิดอย่างนี้นถ้าเรายอมรับถึงขีนนั้นได้แล้วอะไรจะเกิดก็ไม่ไม ไม่มีปัญหาดีทั้งนั้นดีกว่าถูกประหารชีวิตค่าถูกไล่ออกแค่นี้เองใช่ไหมนน ถ, ถ้ามันกรทบถึงนีถูกไล่ออกอย่างบาคนต้องต้งได้รับต้องมีเงินมนะาเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวอย่างไรเพราะไม่เป็นไรก็ไม่มีเลี้ยงก็อยู่กันแบบไม่มี <c oughs> ถ้าเกิดคุณตาใจเมื่อก่อนไม ไม่ได้ถูกได้ออกจากงานใจจะกปจะไม่หัวใจวายตายขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเขาจะอยู่ได้เขาอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้เขาก็ตายตามคนตายมก็มีเท่านั้นแหละคืออยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวจะอยู่ได้จะอยู่กับคนบาปอีก็ก็เป็นเรื่องความิงของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างน้อย่าง้เราไม่เครียด ือ จ, จะเดล้ลำบากด้วยก็ก็ติแค่แต่ไม่มีงคอยากจะลำแบากไม่ดีก็พูดแนละ้วจิตใจของคนเราอยากแบบจะมีท่ า, า, ามีท่าสบแล้วทำไมยังมงียังมีคนลำแบาบกยังมีควาทึ่งอเพราะมันเป็นสภาพทารจิตของคนเราเป็นมีทุข์มีทุกข ม, ม, มีสบาย สลับกันไปขัดกันไปชานี้อาจจะเกิดมาแล้วทิศบางคนชานี้เกิดมาแล้วทุกอันบ้านนันเป็นอย่างนี้โลกนี้ถ้าบอกว่านิ้วของคนเรา ย, ยังไม่เท่ากันเลยจะไปทําให้ทํานิ้วคนเราให้มันเท่ากันตอนเธอตอนที่เราจะไปทําให้คนอื่นครับทุกคนเท่ากันหมดอยู่อย่างสุขสบายเหมือนกัน ทำเปน็นนี้กังเป็นอย่างนี้แต่เราไม่มองกันมันจะมองแต่ทางด้านเขาเรียกอะไรไอเดียลโลจีอยู่ตัวเพียคขาว่าสังคมทุกคนจะต้องอยู่อยู่กันเสมอเท่ากําหนดเหมือนกันหมดนี้ความสุขเท่ากันทุกคนนั่นเป็นความคิดความสัมพันธองพะเจ้าไม่ใช่เป็น คนคิดคนสังเกตเป็นคนจริงต้องเป็นวริสต์ต้องดูข่าวจริงคําว่าเริสต์ก็คือสัจธรรมอริยสัจสิความจริงความจริงที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนแต่มองไม่เห็นกันให้ในที่เที่ยวก็พาะความเหยียทนันก็แสดงอย่างชัดอยู่แถ้าไม่อยากจะเที่ยวก็ดับความอหยียเทียมันก็หาเที่ยว ถ้าอย่ากระจายนอกหอรือสิ่งที่เราไม่มาควบคุมได้ น, าาพพนี่ยมันมาครอบครองเนมันแก้ได้ไหก็ทำใจทำใจมันเกิดแล้วฝนตกนี่มันโยงไปแค่ไม่ได้มันากนี้มาอย่างนี้โยมไ่แก้ไม่ได้มันเกิดมันก็ต้องทาใจเมาเพราะว่าเราแก้เองเราแก้เกิดเองก็แก้ดีวใจก็ทำใจมรักทำใจ ก็ไม่ทํากันเลยมันก็ยากคนหนึ่งทําไมเขาทาได้ครูบาอาจารย์นี่เรากราบไหว้ประมาณนี้ท่านทําได้เราพิจารว่าท่านเราไม่ได้กราบไหว้ท่านตรงไหนก็ทำกราบไหว้ตรงนี้แหละที่ท่านทําใจได้ท่านอยู่แบบขอทานได้แล้วอยู่ได้หรือเปล่าเราอยู่แบบขอทานที่บ้านเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ปฏิ่แบบขอทาน ย่างจริงๆแต่เพียงแค่อย่างลูกลูกกเข้าใจเขาเพราะก็เข้าใจนะเขายอมรับในใจรักอันนี้แต่มันขนาดมันทำไม่ได้กิเลสกิเลสกิเลสมันแรงกว่ากิเลสในาจมันมีกำลังมากกว่าความยึดความยึดเนี่ยอันนี้เขายังไม่มันมัน สามาระักษาถ้าท่านรักษาได้ก็อันะกษาเดียานยาที่ดีกว่ารักษารักษาตัวที่ต้องรักษานที่รักไม่เกี่ยวคนรจรักษาเยียบไปรักษา่นี้คือไใจไม่ตายรักษาใจมืนาัก็้บางครั้งก็แบบ ยนกปู่ <laughs> มันตอนที่ท่านไปอยู่ที่ท่านตรีกาท่านก็บอท่านตรวจท้องอยู่ท่านก็พยายามหายาและกิาหลายหลายวันด้วยกันก็ไม่หายภายในที่สุดท่านก็ตัดสินใจไี่ไม่กินยาทำมาโอเสดไปได้ศึกษาได้ยินว่าถ้าทําถ้าจิตพิจารณาปล่อยวางทางกายได้โลกมันก็จะหายไป เ, เอง <laughs> ท่านกำลันั่งสนาธิทำงานจิตพิจารณาแยกธาตุแยกฐานแยกจิตออกจากกันแยกเวทนาปล่อยวางเวทนาจะเพิ่มจะเกิดจะปวดขนาดไหนมากก่อนี้วาจิตจะไปแสดงหายามันคืออะไรหายเจ็บหายปวดหวังว like, well, ่าจะแสดงอาการของมันเองพอจิตมันสงบโยงเองก็พอกระท้อมันจากความเียวไปความเจ็บเกิบปาก็หายมือเจ็บ้องเจ็บล่าย บางทีมกิดจาความเครียดเกิดจากความอยากให้มันหายยิ่งอยากให้มันหายแล้วมันหายยิ่งเครียดใหญ่ก็ยิ่งเจ็บใหญ่มันไปมันไปกระทบกันมันไปความเครียดมันไปไปสร้างทางทางความเจ็บทางร่างกายให้มีนมากขึ้นร่างกายมันก็เลยปั่นป่วนทั้งอย่าตัวมันเองก็ไม่ค่อยปกติอะไรยังจิตมามาคลายมามายุ่งกับมันอีกมันก็เลยยิ่งปั่นป่วนใหญ่ พิพาจิตไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันดูแลของมันตัเองให้มันพื้นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อถึงเวลามันก็มันก็พื้นเหมือนเดิมก็ได้ี่ไม่เป็นปัญญาที่ท่านนอนสั่งเนี่ยตัวเองท่านทานมาหลายวันแล้วมันไม่มันไม่ได้ขมหรืออาจอาจจะเป็นเพราะยาวไม่ถูกกอบโลกกระดาษนี่เปรนสาเตุ ที่ท่านรัชกาลที่บอกว่าคนเราเนียถ้าที่วัสดิ์จะเดือดง่ายเลยอย่างนะคะที่ทำอาหารอร่อยๆอย่างเงี้ยพอสองสามท่านนี่ก็นลายทีแบบนั้นะคะที่แบบที่บอกว่าที่คนเราตื่นตื่นกรอร่อยแค่ตื่นเร็วเลยที่ที่ไรัดต่างอย่างนานอาหารอย่างเดียว ตลชีวิตเขาจะต่นเราไปงมาดีว่ามันต้องเป็นกิเลส่ทำให้เราต้องเป็นเกิเลสจิตมันจะแกวนไปแกวนมาอยู่เลยอยากอยากความจากจากความอยากมีอยากเป็นก็จะแกวนไปให้ความเบื่อหน่ายความไม่อยากม่อยากเป็นพอมีอะไรจำเจแล้วก็จะเบื่อ ก็อยากจะได้ให ม, มนเป็นของบางองด้านเดียวกันเราจะมองคือเราชอบของใหม่ๆเยอะๆซื้อเสืผ้ามาเราใส่กม่ติดวันเดียวออกไปเดินเที่ยวเห็นชุดใหม่ก็ยากจะได้ใหม่ที่ส่วนใหญ่คนเป็นอย่างนี้ที่เรียนงานเป็นอย่างนี้แล้วยังมีโรคกดลงยังมี ยังมีการว่าตาัญหาเพราว่าตัญหาวิืเพราะว่ตาตัญหามันก็เป็นและอีกอย่างก็คือสิ่งที่เราได้มามันไม่ได้ให้ความพอแล้วได้อะไรมามันไม่ได้ให้คำว่าเออพอแล้ดีแล้วมันไม่มีคาว่าพอไม่มีสำหรับของที่เราได้มาเร า, เรารก็ทํารถจ้ะแลอาจจะขับเรื่อย ถ้ามีเรื่องมันก็เลือดกินเหมือนกันอ่ยหมาเราให้อาหารมันกินมันก็จะเลือดกินบางทีเขาอาจจะเบื่อถ้าเราให้เขาอย่างเดียวทุก่นเขาไม่มีสิทธิ์เกิดาเลือดกินก็มันไม่มีอย่างอื่นจะกินอะไรก็ให้มันกินอยางอนเราก็ให้มันเลือกินแต่ลัริงเลี้ยงดินไม่ทนเล็กเยทานเล็กเลย กระเลงเนี่ยพอให้ถ้ำกินแล้วมันก็ไม่กินอาหารในป่าแล้วมันก็รอข้าวซื้อข้าวแสดงว่าผู้ชายก็มีนในโลกก็มีกลนน็ติดเหมือนกันเนี่ยนเพนียงแต่ว่าท่านิี้เขาไปเป็าไปเป็นสัตว์เ่าั้ น, น เ, เ, อ เ, อเราก็ไม่แน่ท่านน้าแปลว่าตายไปเราอาจจะไปเป็นิงก็ได้ เป็นอะไรกันิดเราตามมะเป็นเรื่องได้ไหมถ้าติดเราได้หรือเปล่าเป็นตัวไปเอาล่างเข้าไปในล่างเ่งเหมือนที่เราเข้ามาในล่างของร่างกายของคนหรือติดอะไรตามไปตลอดเลไม่ติดไมตามไม่ิดมันก็เปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆถ้าว่าร่างร่างที่ายไปมันก็ไปเปลี่ยนร่างใหม่มันก็เปลี่ยนรถเนินทางใหม่ทางในในต่างคนนั้นเนี่ที่ว่าทำความดีก็จิดก็จะตามเลย ไปอาศัยร่างตัวที่ั่นเข้าใจธรรมวจิตรธรรมวจิตรคนที่ตายแล้วตัวเดียวกันเนี่ยอย่างคุณอย่างคุณโยนี่ยสมมติจากหน้าใจนี่จานดับไปแล้วใจของคุณโยนี้ก็จะไปหาล่างใจที่กําลังคิดอยู่ที่กําลังรู้อยู่เนี่ยตัวนี้จะ ต่ทางวิทยาศาสตร์ทางฝังเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ในสมองแต่ทางศาสนาพิดว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นเหือนน้ำกับขวดน้ำเวลาขวดน้ามันแตกแต่น้ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นลายไปกับขวดน้ำน้ำมันก็ไปหาขวด่นจะได้ขวดกลมขวดแบงขวดขาขวดเขียวแล้วแต่แล้วแต่บุญแต่กรรม ถ้าไปเกิดเป็นเอกสารจะแสดงว่าต้องไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้รักษาศีลท่ามีตังเกตยุทธายของเรกสารดรนี้ไั่มีศีลแต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะได้กลับมันเกิดเป็นมนุษย์มีถ้ามีร่างกายนะแต่มันยังมีพระท่าที่แบบว่าอยู่แบบไม่ต้องมีร่างก็ได้มีแบบนอนหลับฝันฝันดีเวลานอนหลับฝันดีเนี่ยล้วก็นั่งก็เป็นอีกทบหนึ่งนละ เวลานอนนอนหลับฝ <là> be ันร้ายแล้วก็เป็นเพื life, ่อนคนละคนแต่ก็เป็นติดตัวเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราทําดีเราทาร้ายไว้ถ้าเราทําร้ายไว้มากๆเวลานอนหลับมันจะฝันร้ายเห็นเราไปฆ่าใครเราก็ทํำอะไรกันที่มันจะย้อนกลับมาในฝันหลับแต่ถ้าเราทําความดีที่นอนนอนมันก็ฝันดีฝันว่าเอาออกมาเชื่อจากนั้นเราติดเชื้อคนนี้เราจะทำอะไรคนนี้มีแต่คราม แล้วบางคนเลยฝันทุกคืนบางคนก็ไม่เกิดการฝันว้มากถ้าไม่ฝันได้ก็แสดงว่าจิตไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไไม่ด้สบนวัยบาปมีกจจานับคนที่ฝันเยเคยคุยมาบกคนฝันเดือพวกงขึ้นมาคนที่อันขนเตอนนะัฝันเะทืเลย็นพนลกก็อาจะเป็นเพราะว่าจิตเขาจิตที่ไม่ค่อยสบจิไม่ง ก็ไม่แน่ถ้าฝันแล้วมันเป็นฝันที่ดีก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่เรื่อยๆไม่ทําบาปเลยแต่ถ้าจิตก็ยังไม่นิ่งอย่างนี้ยเ้าก็จะตัดฝันแต่เรื่องดีๆอยู่เรื่อยแต่ถ้าชอบทํทบาทําบาปทํากรรมแล้วก็จิตเป็นจิตที่ไม่นิ่งไม่สงบแล้วนอนหนักก็จะฝันรายเป็นเร่อแต่พวกที่ชอบทําสมาธิปฏิบททัติธรรมมักจะไม่ฝันแลยเวลาหลับก็จะหลับเป็น ที่ไม่เงยหลับสบายนั่นเป็นแค่เกิดเงนเพราะว่ามีตำแหน่นิเดียวแต่ค่ะเพราะว่าพักลูกก็พยายามอธิบายแต่คิดว่าถ้าถือเจ้านันพูดเนี่ยเขาจะอบเขารพเจ้านันหน้าขึ้นปฏิบัติหน้าล้งกล้าหน้าขึ้นแต่ว่าเกิดนิมิตขึ้นมากมายแล้วรู้สึกพอใจในนิมิตอันนั้นมากเพราะเป็นนิมิตในทางดีด้วยค่ะ ที่นีก <prêt ple cat> ็เหมือนกับด um ูหนังอะดูหนังแล้ว <h> ม <ums> ันก็ติดแล้วก็ดูหนังแล้วมันติดแล้วมันจะไม่ไปไหนมันไม่เป็นนิสัดเป็นไงมันจะไม่ทําให้เกิดปัญญาเมื่อปล่อยวางเราไปเวลาติดไปเผชินกับเหตุการณ์อะไรก็อาจจะจะไม่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ไม่มีปัญญาที่เขาสงสัยว่าสิ่งนิมิตที่เขาเกิดขึ้นเมื่อเมื่อติดลงแล้วเนี่ยนะคะ สิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาแช่หรือเปล่าแล้วเขาาก็จะสงสัยอยู่นี้เพราะว่าอย่างเป็นต้นนะเขาจะพบว่าเขาเห็นพระพุทธเจ้าบ้างอยู่ไรอย่างนี้ตรอดเวลาซึ่งซึ้งเป็นสิ่งที่ดีกับเขาแต่ว่าเขาก็เขาสงสัยอยู่นี้มันดีแต่มันไม่เกิดประโยชน์สาหรับประโยชน์การท่างานการตัดทศตั้งการดุจทอนจากการเรว่าการเกิดมันอาจจะเป็น เป็นเหตุการณ์ที่ใส่ขึ้นแอดิตนะก็ได้แต่มันมันไม่ได้ทาให้อนาคตของเราดีขึ้นรู้สึกว่าหลวงกากบคุณแม่นนแก้วนี่ก็มีควาเต็อรุณธมเรื่องนี้อยู่คุณแม่้าก็เนรับถือนับถือหลวงกาศเป็นอาจารย์เ่รู้สึกว่าอนั้นท่านก็อยู่ที่บ้านทุกทายเแล้วก็พยายามสอนคุณแม่แก้วให้ละมินิน ก็เป็นนาฬิกานึ่งถ้าพอติตสงบแล้วเดี๋ยวจะลบลเรื่องต่างๆถ้าอย่างนั้นท่านอาจาบอกเขาว่าให้เวลานิยมด้ดยวิธีใดแค่ไม่สนใจก็มองด้วยปัญญาว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าอยากต้องการจะพัฒนาจิตใจให้เปิอริยภูมิเปิดนักพันวิถีมันก็ต้องปล่อยเช่นนี้ไปก่อนแต่ไม่ต้องกลัวว the ่ามันจะหายไปไหนหรอก มันมันอยู่กับเราเมื่อเราได้บรรลุถึงจุดถึงเราได้เราจะอ น, นุุนิพพวกนี้มันก็ยังมาปรากฏให้เราเห็นเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเราอาจจะมีความรู้ความสามารถที่จะอนนิพนธ์ใช้ให้อย่างถึกต้องสามารถเอาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้แต่ตอนนี้ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วเราก็ไม่ทางงามาํางานบัตรงานเหมือนกับนักศึกษามหาลัยแทนที่จะเรียนให้เสร็จจะทำกิจการใช่ไหม การเรียนก็เลยไม่ดีดีไม่ดีไม่ได้ขึ้นทั้งต้องหีทางเลงี้สุดตกจากเก่นภางด้ากิจกรรมนี้มิพวกนี้ก็เหมือนเป็นกิจกรรมเป็นวิชาไม่ใช่เป็นวิชาหลักถ้าไะยุ่งเก่ง ว, ว่ามันไปสนใจไปศึกษาไปหาอะไรต่างๆรู้ไปก็ทำนั้นมันไม่ได้ไปทำให้ คือเลยเคยทำโอกทากฎทำแรงมันเะาบางมนตายเรื่องหมดหลวงตาท่านใช้ไม้เด็ดกันหลงคุณแม่แก้วเาบอกว่าถ้าไม่เลิกก็ไม่ต้องมาเป็นครู่ปนอาจารย์ไม่ต้องติดกันโอเคเาน่าดูผลเป็นไงคุณแม่แก้วพอท่านเลิกได้ท่านกับ การเขไปทำงานทางด้านวิปัรณนาทันิจารณกายวิจารณานิจังทิการณานักกายวิจารณ์วิจารณามายาหลังขันธ์มีอะไริจารณาวิชาการสบายทีนี้ท่านจะมีมีมิตมากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับท่านคือคนที่ยังไม่หลุดก็เหมือนคนที่ติดอยู่ในคลุกเจ็บนคลงก็ไปดีใจกนดูทรทัศน์ทไมรอมาจากนอกคุกแล้วไปดูข้างนอกไม่ดีใจเพรานอกจากได้ดูแล้วยัง จะไปทำอย่างอื่นก็ทําได้แต่อยู่ในคุกก็ดูได้แต่แค่ดูทอทักเท่านั้นเองจะไปทํานู่นมานี่จะไปช็อปปิ้งที่นั่นที่นี่ไปที่ที่นั่นที่นี่ก็ยังไปไม่ได้ก็ก็เลือกเอาอ่ะสอนคนก็อย่างเงี้ยคนเขาก็อยากจะทําของเขาแบบนั้นอ่ะแต่เราแต่เราไม่เดือดร้อนเมื่อก่อนนี่อาจจะเดือดร้อน พอถ้าเราสอนแล้วแบนท้าไม่เชื่อไม่ฟังเราแล้วก็โกรธแล้วแหละแนนี้เราไม่ได้อะไรเชื่อเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ที่หลวงตาท่านทำอย่างนั้นท่านเพลินแต่เป็นอุบายให้เขารู้ว่าเป็นแม่ก้าวไม่คงจะดื้อหน้าดูไปทำท้ายไม้ตายแต่เขาต้องกรววัดเร็วใช่ไหมใจะได้ทา ที่จะจเรืที่จะดที่จะักอันไปเีด้เป็นาแล้กายหมวท่น่่กกนกนุกกนนกานท่กานาก การจะการสองการสอนนี่เป็นถึงการสอนเสร็จมามีเห็นมีภาพภาษาอังกฤษขึ้นกัรใส่ไว้ท่านการอยากให้พิมพ์ไหมคะที่เป็นการสอนจะไปพิมพ์รวมเรื่องยอมคิดว่าดีไหละอือเดีลยวจะขึ้นลูกลูกว่าท่านการพูดง่ายเลยแต่ว่ามันท่านการสอนใค่กันก็พอดีมีมีคนข้าตาม้วไว ยี่สิบจะเป็นชาวเยอรมุ น, นิเซียยจะอ่านเทศจของอาตมาเป็นภาษและวกนึงก็มีสัญญาญาโยนเสนเขาช่วยแปลให้อาตามาเข้มามา แ, แก้ไขกทีแล้วก็ส่งไปให้ชาวพี่หญิงชาวจินคนนูรนเขาช่วยช่วยตรวจัาทาให้ทางนึงนะสามคนทีเขาช่วยแปลให้ อาตมาก็มามามาแก้ไขแล้วก็ส่งไปให้ชาวจีนพอดีเป็นลูกจกกโมยมมันดาาตมาเาเคยมาที่มไทยทะเลามเพราะว่าจะช่วยช่ว ย, ช, ว ย, ช, วยช่วยแก้พวกการว่าอะไรก็ได้ส่งไปทางเดียวครับก็เลยใส่ชื่อของคนก็ไม่้สองนเห็นใช่ไหมตัวพระเสด็จไปคือรายารอะไ จำเในคนะอมเมนต์แล้วก็แล้วก็เอดิทมคือตี่นทิพย์แล้วก็เวลาเปนก็ใส่ชื่อพวกเขาก็แล้วเขาคจะดีใจแล้วเขาก็เขาต่อไปให้พวกคนที่ขาต่างประเทศอ่ า, านใ น, น, น, น, นเขาก็รู้สึกว่ามีคนเขาก็ชอบคนนี้นนี้นตอ้นก็จะแปลให้หมดทั้งหมดที่มีอยู่วาเราทำตามไม่ทันทำไม่ไหว เพราะมันเพราะมันงานที่ต้องทำเกี่ยวกับพวกภาษาไทยนี่มันมีอสรุปสั้นๆถ้าในนันอัตจมายังไม่ได้ใส่บางทีอยากจะใส่ถ้าจะพิมพ์อยากจะใส่ไอ้ไอ้อที่แปลกัจบาลีเป็นเป็นไทยเป็นภานษากฤษซึ่งมีในท่เร้นของหังสือธรรมะส่วนให ญ, ญ่ของอยุทตา เรื่นงของครอบตา้ต่อไปนีค hmm. ือเขาเรียกเอ่อขลับล็อกซารีท for ี่แต่เพื่ออาจารย์แปลว่าอะไรพิศษอะไรครับทีของในท่านเด็กนี้คือท่านปัญญาแอยู่ที่ท้ายเล่นแก่ดูรนักนก่ขออนุญาตออกมาแรกคือจากเล่นทั้งตัวใจบรรยากาศนั่นแหละเผื่อคนอ่านแล้วมันคือ ถ้าไปเจอศับบาลูเาไได้หรือบางคนเข้าแทบอ่า น, นกี้ือก็อ่านไปก็ได้คำนี้ ป, ป น, นี้เรื่ยอันพยายามนาไม่เห็นสัตสเห็น่าไม่็นาอ่านราก็ถาม ก, นนากันแล้วเขาบอกว่าเขาเขาออกเขาไม่ได้ไไลงมาในในแม้เขาเขาออกอาก า, กาศยังในวันสุด สูงนั่นเลยมีคนบองคนเขาเขาพออ่านเจออย่างนี้ได้ไหมถ้าอยากจะได้ลองลองอ e ีเมลและโทรไปถามก็ก็เป็เาานอย่างนี้รัข้างล่างอย่างวัตถยากรณ์เามีอาจจะมี Ad มที่อ e ีเมลกับ e มีเบอร์โทรศัพท์ลองโทรไปถามก็ดูว่าเทปที่ออกอากาศระยะนั้นของมีไหมถ้าอยากจะได้มาจะไ ด, ดาหรือไม่อยากจะมาเป็นผัสเลยไม่อยากจะไ ป, ไป ยิ so, a, dark, ้งเกี unwanted, move, so, allow, so, come, ่ยวมากนะคือถ้าเขาวันหนึ่งเขาว่างก็มีเวลาเขาอาจจะมาให้ถ้าญายองอยากจะดูอยากจะมามองเพื่อลององลองก็โทรไปถามก็ดูว่าเขาาจะมีมีเก็บไว้แต่เขาก็รับปากว่าเขาจะเอาอนที่เขามาทาแล้วก็บอกว่าขอขอแค่คัพเป้นึ่งเขาเขบอกได้แต่ก็ไม่เห็นติดต่อมาประเด็นตรงนี้รับ ถาวันสลายเนี่ยเี่ยเข้าไปในในทั้ยาเร่อและทั้งร่างเขาจะมีมีตัวถอดมือมือมืออแบบนี้พลังโทรต่างก็มีกคนที่อิเร์วิวได้แต่ชื่ออะไแต่ก็ไม่มีใครก็มีสองคนนี้พลังคนแล้วก็คนไทยรู้สึกจะเป็นมุขแขกมีอะไรมีอาจารย์แข โดยสถานที่เขาแสดงเขาเขาจะเรีนรู้บอกว่าที่ที่ที่ออกออกทางธรวทัศน์ของพระติยามือเขาเขาจมีคำอุปถมภ์ก็ทักโลกเดียร์ตานเผยเผยให้คนอื่นเห็นหรือพวกนี้ก็จะมีพวนศึกษามาจายุโรปทีมาเรียนมาเรียนหกสูตัจ้างของมหาลัยเอเชีย เป็นชาวยุโรปนะที่จะเป็นพวกเยอรมันออสเตรียจะมมาประมาณสักสิบคนก็จะมามาฟังมาฟังฟังทว่นี่ฮะนั่งตรงห่ือท่านั่งตรง ย้อนตงนี้มันยาววุ น, นี้กว่าจะจบย้อนมันไม่จบง่ายๆมาะหงมาละนาละน่งดีวันนี้ต้องนีนเน่เป็นจุดเริ่มต้นของของจบจะไม่จบจริงๆดีนี่เดี๋ดี๋พี่เรียนคนดุเหมือนกันกันดีเบวที่วัดนไหนที่วั ด, ด, วด ทองกลางตั้งจุฬนาแต่เป็นมหายาณมาได้ก้ามือเดียวไม่ไหวคล้วลูกไปอยู่วัดดงกันมาดีว่าความสงบพระท่านอาจารย์เธอดีท่านเธอท่านมีความเป็นวัดขดขันาะ มันก็บลุตาสมก่อนมันมีระเบียบประกาศได้เแต่ที่ท่นสงบจริงก็ผู้หญก็ไม่ยอมไมายุ่งจริงแต่คนจะไปไม่พรามันต้องไปบนอะไรมากตมันติดต่อกันพอมันพอมันไปได้แล้วก็จะดีทนี้ต้องอา่ัที่อย่างนี้จะทำ ภาวนาภาวนาเป็นแอยู่ที่บ้านก็ภาวนานแต่ถ้าเรือป็่ภาวนาเป็นจริงๆแล้วมันก็ไม่อยากจะภาวนาที่บ้านเพราะบรรยากาศอย่งื่อที่ที่วันนม่นที่ไหนยิ่งสงบเท่านี้ที่ันมีภาวนายยมทม่ดีที่ทหไหนจะอยู่เนี่ยไม่นีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องแค่ที่ด ก็ดีเหมือนกันแต่สู้ไปที่ข้างนอกนะครับบางทีอาบมาก็ไปนอนที่เกาะไปนอนเกาะกลางวันถามกินเอากข้กาวไปกินก็ก็ดียังมีบรรยากาศที่ต่านกันมากอยู่ในบ้านก็อยู่ที่ต่าเปลี่ยวว่างเลยเบิกวันนอนอยู่ภายทะเลไม่มีไม่มีมังกรโลไม่มีกระต๊อบไม่มีอะไร มีถุงนอนใบๆแต่วันนั้นายเร็วแรงคกินก็จุดเนาะฟิตมีผายเฉลี่ยมันไ่ของความกลัวมันอยู่ที่ไหนมันคสร้างความกลัวให้เราอยู่ตลอดเวลาก็ต้องปรงมันอ่ะปรุงมันละอะไรมันจะมาจินมมาจัดไปมันจินมให้มันจัดไปมันก็หายกลัวให้วามนะ